ยังได้กาวตั้งแต่ตอนที่พวกเราไปากล่าวพักทานแต่ว่ า, ามีคนขึ้นไปไม่มากนะักก็ถือการการล่าวคำวับตรงนี้เสร็จเลยถ้ากอมหาวันนะกับธรรมยาาเนี่ก็เกี่ยวข้องกันมากตอนที่เริ่มสรรมยานาครั้งแรกนะต่อก็ออกเริ่มจากที่มี แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินธาารรมตราต่อมาอีกหลายครั้งบางครั้งก็มาสิ้นสุดที่นี่แต่ส่วนใหญ่แล้วนะเป็นทางผ่านก่อนที่จะไปจบสิ้นสุดที่ปราภูทองนะซึ่งเราจะได้ไปเยี่ยมเยือนกันในวันพรุ่งนี้อ่นะ ธรรมยาการก็มาแวะพักที่ระตาหาวันขรางสุดท้ายก็ประมาณสษปีที่แล้วในช่วงข า, ากลักก่อนที่จะต่อไปที่ตากูทองตอนที่เริ่มธรรมยตาครั้งแรกเนี่ยศาลาเก่ายัางมีอยู่เป็นศาลาหลังเล็ก สามารถที่จะรับรองรับคนที่มาเดินธรรมญาติตาได้สบายๆพราะคนยังไม่ไม่มากช่วงสี่ปีที่ผ่านมานะก็ปิจกรรมนะส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ข้างในมีศาลาหลังใหญ่แล้วนะก็สามารถจะรองรับคนได้แต่ก็ต้องกนะารกิจกรรมนันะ้คนค่อนข้างแน่นขนาดหน่อย แต่ปีนี้นะต้องย้ายนะมาทําข้างนอกเพราะว่าคนเยอะนะสามสี่ร้อยคนประภามหาวันเนี่ยนะเนือที่ก็ถ้าเป็นเนือที่สำหรับทํากิจกรรมส่วนรวมก็ค่อนข้างเล็กนะไม่มากเท่าไหร่อย่างที่เราเห็น เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าที่นี่เนี่ยเราถือว่าป่านี่เป็ น, นเป็นส่วนสําคัญที่สุดทีเราเป็นพระเอกก็ได้หรือเป็นศูนย์กลางนะพวกเราพระก็ดีแม่ชีก็ดีนักปฏิบัติธรรมก็ดี นะถือว่าเรามาเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยส่วนเจ้าของพื้นที่ก็คือป่าแล้วก็สิงสาราสัตนวะ์เท่าที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการมาใช้พื้นที่ที่นี่เราก็พยายามที่จะไม่ให้รบ ก, กวนธรรมชาติมากนะกล้ว ต, ต่อมาแันก็เป็น ปีจุดหนึ่งน้าที่หลวงพ่อคำเขียนท่านให้ความสําคัญหลวงพ่อคำเขียนเคยพูดว่าอาชีพท่ามีสองส่วนส่วนนึงก็คือการสอนธรรมฐานอีกส่วนก็คือการอนรักษป่าแล้วก็ฟื้นฟูป่าด้วยหลวงพ่อท่านมองว่าสองอย่างนี้มันแยกจากกันไม่ออกธรรมฐานหรือว่าธรรมะเนี่ย มันทำให้ท่านเนี่ยเกิดเมตตา่ตอไม่ใช่ผู้คนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงธรรมชาติรวมทั้งต้นไม้สมัยแต่ ก, ก่อนท่านก็ไม่ได้รักธรรมชาติหรือรักต้นไม้เท่าไหร่ที่จริงก่อนที่ท่านจะบวช น, นี่ท่านก็ตัดต้นไม้ดีเยเพราะว่าเป็นชาวนา เห็นต้นไม้ก็ถ้าดีก็อยากจะตัดนะเอาไปทำประอยูนแต่พอได้มาศึกษาทาเริ่มจากการไปปฏิบัติกรหลวงพ่อเทียนแล้วเกิดความเข้าใจในธรรมะขึ้นมาในจิตใจก็เกิดเมตตา ทางผู้คนแล้วก็ธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวกับธรรมชาตินี้นะก็อย่างที่เราจะได้เห็นข้อความบางข้อความจากแผ่งผ้าที่บอกว่าที่ท่านบอกว่าการได้ช่วยต้นไม้สักต้นอย่างนี้มันเหมือนกับการได้ช่วยคนนะถ้าหลวงพ่อเนะี่ก็ช่วยทั้งคนแล้วช่วยทั้งต้นไม้นะเวลาที่ท่านดยู ถ้ามาไปหวานท่านก็สงสารเด็กเล็กในที่ต้องติดตามพ่อแม่ไปทำไร่บางทีก็เด็กก็เป็นไข้บางทีก็ตายถ้าเราสงสารชาวบ้านบนหลังเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่มีลูกลูกก็ต้องอยู่กับพ่อแม่เาะไม่มีตาไม่มียา พ่อแม่ไปทำงานาลูกก็ตามไปด้วยถ้าเป็นหมู่บ้านนะข้างล่างเนี่ยมีตามียามีป้ า, ม, า, ม, ปามีน้ามีอาอะพ่อแม่ไปทำงานาก็ทิ้งลูกไว้ให้ตายายเลี้ยงแต่ว่าคนด้านหลังเขาเนี่ยเขก็ขมากันเป็นครอบครัวนิดสมัยไหมแล้วครอบครัวเดียวสมัยนั้นเนี่ยเด็กก็เลย เดือดร้อนนะเวลาตามพ่อแม่ไปทำไร่ท่านก็เลยตั้งตั้งศูนย์ใยญขึ้นมาไม่ได้มีแผนการอะไรมันเป็นความจาเป็นเฉพาะหน้าท่านก็ทำโดยที่ไม่รู้นั่นแหละคือศูนย์เด็กแห่งแรกของจังหวดชายภูมิแล้วตอลังท่านก็ช่วยเหลือชาวบ้านอีกหลายอย่างรวมทั้งการทำสาคานข้าวแต่ซื้อข้าว เยอะๆบรบคาที่ได้ถูกจากเชฟภูมงสามารถขายชาวบ้านในราคาที่ไม่แพงซึ่งต่ำกว่าการขนข้าจากแก้งครอมา mm hmm. พะสมัยก่อนเันไม่มีไม่มีถนนนะจากไม่มีถนนขึ้นเขานะจากแก้งครอขึ้นมาทามาไฟหวานมันต้องขนข้าแล้วก็ ปีนเขาขึ้นมาหลัยก่อนตมาเนี่ยตอนมีคารวะจะไปหาหลวงพ่อเนี่ก็ต้องปีนเขาปีนเขาขึ้นมาด้านปีกีสองสามตอนปีสองพ่าก็มีถนนก็เขย่งชุ่นหลวงพ่อท่านก็ทาหลายอย่างเพื่อช่วยชาบ้านอันนี้ก็ ที่เห็นว่าท่านเนี่ยมีเมตตาทนั้งต่อคนและธรรมชาติในปีท้ายๆเนี่ยท่านมาจับภาษาที่นี่นะปี55แล้วก็ปี56ซึ่งเป็นภาษาสุดท้ายของท่านท่านเลือกมาจับภาษาที่นี่ท่านก็หวังว่าจะมาช่วยนะฟุ้นฟูป่า ที่นี่ให้ดีขึ้นแต่ว่าตอนนั้นท่านก็สลามากแล้วนะไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงเหมือนเมื่อก่อนก็เลยทําอะไรไม่ได้มากแต่ท่านก็ปลูกต้นไม้เยอะนะตอนชันวางเมรัยก็ปลูกต้นไม้พอปีห้าเจ็ดท่านก็ไปการังสาที่อัปปะสุปโตแต่แม่พ่อการสาเนี่ยก็วรนัฐธแต่ว่าวรโตกที่ท่านทิ้งเอาไว้ มันไม่ใช่แค่ดีเป็นบรถิถทที่เป็นวัตถุทำเช่นวัตาสุปโตวัตถุขาทองซึ่งมีต้นไม้ร่มเรื่องแต่ว่ายัางติ้งบริบทางความคิดว่าถ้าเราชอบปุดนี้ก็ควรใส่ใจทั้งเรื่องกรรมฐานนะพัฒนาสุดคน ต้นให้เกิดธรรมะขึ้นในใจและวาในเดียกันก็ออกไปช่วยรักษาธรรมชาติตามกำลังอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดธรรมญาตาขึ้นมาการทำกรรมฐานพัฒนาจิตใจหรือให้มีธรรมะรักษาใจ ตอกการมรรคธรรมชาติอย่างที่บอกไว้แล้วสังข้อนี้มันเป็นเรื่องที่แยกจากการไม่ออกเป็นเรื่องเดียวกันกองควรไปเข้าใจว่าเนี่ยนะถ้าเราทำกรรมฐานได้ยิ่งบุ่งความหยุดพ้นแล้วเนี่ยนะก็ต้องทิ้งนานอื่น อาจจะต้องไม่สนใจส่วนรวมและไม่คำนึงนะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่นั้นยังไม่ถูกนะเพราะว่าในการทำกรรมฐานหรือการฝึกติดตเนี่ยมันแยกไม่ออกจากการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม ยิ่งเข้าใจธรรมะนะ uh huh. เข้าใจถึงขั้นถึงแก่นของสัจธรรมแล้วเนี่ยนะการที่จะออกไปนะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับสรรษษัตว์นะั่นก็ยิ่งนะเป็นไปอย่างมีพลังเป็นไปเองบางคนก็ไม่อยากรูสังส นลันก็คือ่ศึกษาพุทธศาสนามาสงสัยว่าพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนให้รู้จักปล่อยให้เข้าถึงธรรมจนเป็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยไม่มีอะไรที่เป็นของเราแม้แต่อย่างเดียวร่างกายก็ไม่ใช่ของเราลูกก็ไม่ใช่ของเราพ่อแม่ก็ไม่ใช่ของเราแล้ว เราจะทําหน้าที่การทำกิจการต่งตรงตรงางๆไปทํำไมอันนี้ไม่ได้เพราะคนไทยที่สงสัยคนต่างชาติหรือฝรั่งก็สงสัยเลยเพราะเมื่อมาศึกษาเรื่องอนัตตาในพุทธศาสนาการไม่ใช่ตัวว่าทุกอย่างทู้สิ่งที่ยังไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่เนี่ยอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยแล้วเราจะ ทำโน่นทำนี้ไปทำไมจะดูแลร่างกายเราไปทำไมนะจะใส่ใจลูกใส่ใจหลานใส่ใจพ่อแม่ไปทำไมอย่างนี้มันต้องทิ้งโลกอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นเพาะเขาไม่เข้าใจแล้วว่าการที่พระพุทธศาสนาสอนว่าทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพื่อให้ปล่อยวาง ทํารปล่อยก็ยปล่อยวางเนี่ยมาเป็นการทําจิตเป็นการทําี่จิตแต่ว่าการทำํำจิตนะมันก็ยังมีอยู่รุทธรรสนาเนี่ยอย่างที่บอกนได้คุยไปสองสามวันก่อนว่ามันไม่ใช่ เ, เรื่องการทําจิตอย่างเดียวแต่มีการทำํำจิตด้วย อย่างเมื่อกี้เราสวดโอวัทปฏิมโมงเียนะเริ่มต้นด้วยธรรมสามประการการไม่ทำบาป ท, ทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตัวให้ขาวรอดไอ้สองข้อแรกนี่ก็จับว่าเป็นเรื่องการทำกิจกาทำกุศลคือทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนี่เป็นเรื่องการทำกิจอย่างไม่น่ ก, ก็ไม่ไปทำชั่ว ไม่ไปเบียเดเบียนใครอันนี้ก็เป็นเรื่องการทํากิจนะเราต้องรักษากายวาจาของเราไม่ไปเบียเดเบียนผู้อื่นนี้เป็นเป็นหน้าที่ขั้นต้นขั้นพื้นฐานขั้นต่ำแต่ถ้าไม่พอต้องทำมากกว่้นก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทำความดีแต่ทำสองข้อไม่พอนะต้องทำกิจด้วยชำระจิตของตันให้ขาวรอดนะหรือการ ความในการทําจิตให้ยิ่งนะซึ่งเป็นข้อหนึ่งในอวาทปฏิโมกที่เราได้สวดมาสักครูนะัเราจะเห็นนะว่าทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอาจจะเห็นด้วยความคิดนะยังไม่ได้เห็นด้วยจิตประจักษ์แจ้งอย่างแท้จริงนะแต่การเห็นดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคของการทํากิตนะเพราะคนเราเนี่ยจะทํากิต ทำหน้าที่ดูแลรักษาสิ่งของดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือดูแลใส่ใจลูกหลานพ่อแม่มันไม่ใช่ว่าจะต้องทําเพียงเพราะว่าเห็นว่าทุกอย่างเป็นของเราและไม่เห็นว่าทุกอย่างเป็นของเราหรือเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราแต่ก็มีเหตุผลออกมาที่จะทําให้เราเนี่ยใส่ใจกับการทํากิจ ไม่ว่ากิดส่วนตัวกับครอบครัวหรือกิดส่วนวรวชื่อเรี่องง่ายๆเนี่ยงงเราไปยืมโทรศัพท์เราไปยืมวถใครมามันไม่ใช่ของเราใช่ไหแต่แม้มันจะไม่ใช่ของเราก็ไม่แปลว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลของที่หยิบยืมเข้ามามันไม่ใช่ของเรานะแต่เราก็ควรที่มีรับความรับผิดชอบในการดูแลของเหล่านั้น อย่างน้อยๆให้อยู่ในสภาพดีเท่าๆกับตอนที่เรายืมเข้ามาใครก็ตามเนี่ยที่ยืมของคนนั้นคนนี้มาแล้วไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบจิงเพราะว่ามันไม่ใช่ของกูงั้นกูไม่สนใจอย่างนี้เป็นคนที่น่ารักรู้ไหมเป็นคนที่น่าคบนะเป็นคนที่มีคุณธรรมรู้ไหม แม้ไม่ใช่ของเราแต่เราก็ควรจะดูแลควรจะรักษาให้ดีฉันนนก็ฉันนั้นร่างกายไม่ใช่ของเราก็จริงนะแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาร่างกายนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์หรือทําประโยชน์ไปได้นานๆเมื่อร่างกายป่วยอ่ะก็ต้องรักษาเมื่อหิวก็ต้องหาอะไรใส่ท้องเมือ่อปวด อุตรากัสวะก็ต้องไปปรับทุกข์นะไม่ใช่ว่าในเมื่อร่างกายไม่ใช่ของกูมันหิวก็หิ ว, หวไปฉันไม่สนใจหรือว่ามันปวดท้องก็ปวดไปฉันไม่ไปตรวจทุกข์อย่างนี้ก็คงไม่ใช่นะิ่าม้าไม่ใช่ของเราสงพ่อเป็นคนรู้ส่างกตัญญู ก็ร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วป่ า, าก็จะเป็นของเราได้อย่างไรแต่ก็ไม่แปลว่าเมื่อมันไม่ใช่ของเราก็เลยปล่อยปาราบเลยตรงเงินข้ามนะแม้มันจะไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็ควรจะดูแลและผิดชอบดูแลใส่ใจก็ อ, อะไรนะมันมีเหตุผลมากมายเช่นเพื่อตอบแทนบุญคุณ ธรรมชาติที่เขาดูแลเรารักษาเราให้ที่พักพิงที่สมบูรณ์ถนักประกาปฏิบัติธรรมหรือทําไปเพราะความเมตตากรุณาต่อชีวิตต่างๆที่ตึ้งอาศัยฝ่าและธรรมชาตินะนายจะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่รวมทั้งมนุษย์นคนที่มีธรรมะก็ต้องมีความกตัญญูรู้คุณคนที่มีธรรมะก็ต้องมีเมตตากรุณา แล้วก็ฉะนั้นเนี่ยนะแม้จะรู้จะเห็นว่าไม่มป็นที่เป็นของเราแต่มันก็มีเจตผลนะที่เราควรจะดูแลควรจะใส่ใจอย่างที่ว่ามาถ้าหลวงพ่อท่านก็ทำนะด้วยแรงดูงใจอย่างนี้แหละคือด้วยเมตตากรุณาทั้งคนในปัจจุบันและคนรุ่นหลังว่าเขาจะได้ประโยชน์ต่ากป่าท่างในเรื่องของการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยน้ํำอากาศ จากปัจจัยสี่รวมทั้งหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีธรรมะโดยอดใสความสงบสนับ ก, ก่อนน้อมจินให้เห็นไม่มีปัญญาเห็นแก่ในสัจธรรมเลือดใสตัวธรรมชาตินั่นเอง เ, องเนี่ยแสดงธรรมให้เราเห็นอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดว่าเนี่ยธรรมะก็คือตัวธรรมชาตินั่นเอ ง, เองไม่ได้นอกเหนือไปจากธรรมชาติที่ไหนคนเราสามารถตั้งควารู้ธรรมได้ด้วยการสังเกต จากธรรมชาตนะิธรรมชาติมันแสดงธรรมให้เราเห็นไม่ใช่ธรรมชาติรอบตัวเท่านั้นนะแม้กระทั่งธรรมชาติที่เรียกว่ารูปแร น, นนามนะที่ประกอบกันขึ้นเป็นเรามันก็แสดงธรรมให้เราเห็นตอนที่ผมก็ป่วยนะเป็นมะเร็งขั้งแรกนะปีสนะีนะ่กลางท่านก็มีทุกประเวทนามากมายลูกศิษก็เป็นห่วงท่าน ท่านก็บอกว่ารูา้สึกจะประหวมท่านเลยหวงตัวเองดีกว่าเนะพรรู้สึกมันยังมีความทุกข์ทั้งกายและใจหลงพ่อเรามีแต่ความทุกข์กายและใจท่านไม่ทุกข์ท่าบอกว่าตอนที่ป่วยนี่มันสบายมากเลยไม่ต้องทําอะไรมีคนทําให้ทุกอย่างแม่ก็ทาสักจีวรท่าบอกว่าเนี่ยตอนป่วยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรหรอกแค่เห็นไปรักก็พอแล้วนะมันโชว์ให้เราเห็นเอง แต่เรากี่มาจากไหนแต่เราก็มาจากร่างกายนี่แหละมันกำลังแสดงความได้เห็นอ น, นิจจังทุกขังและตายแล้วเราสามารถจะเห็นธรรมจากร่างกายเจ็บป่วยเช่นเดียวกับเห็นธรรมจากธรรมชาตินะที่กำลังแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่นั้นธรรมธรรมชาติเนี่ยมันมีคุณมากเลยนะในการที่จะช่วยให้เราเห็นธรรมที่ลึกซึ้งถึงขั้น ถ้าครามมัทธธรรมการรักษาป่านี่มนะันจริงเป็นการรักษาธรรมไปในตัวนะแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อย น, นะที่รักษาแต่ป่านะมันไม่ค่อยสนใจเรื่องของธรรมมาเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าไอนะ้คําวัญนี่มนก็เท่ากับเตือเราว่าเนี่ยอย่ารักษาแต่ป่านะให้รักษาธรรมหรือว่ารักษาใจของเราด้วย ในที่นี้เนี่ยเราก็จะมีคำฝันนะตรงแปลแปลงปลูกป่าเนี่ยว่าฟื้นฟูป่าฟื้นฟูใจหมายความอย่าอย่าฟื้นฟูแต่ป่านให้ฟื้นฟูใจของเราด้วยเวลาจะปลูก ป, ป่าเวลาการรักธรรมชาติก็ไม่ใช่แค่ทำกิตอย่างเดียวต้องทำจิตด้วยนะก็คือว่าทำอย่ามีสตินะทำด้วยใจที่มีเมตตา เมื่อเราปลูกป่ า, ราลรวอนุรักษ์ป่าเนี่ยเรามีการทำจิตไปด้วยนะมันก็เป็นภาวนาไปในตัวก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวนะมันไม่ได้แยกจากกันเราสามารถจะภาวนาได้ด้วยการทำกิจส่วนรวมนะด้วยการบ่เป็นประโยชน์ผู้อื่นในการทำช่วยเหลือธรรมชาติ คือช่วยเราสังคมเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาจิตเราไปในตัวด้วยนอกจากเป็นการฝึกสติแล้วนะก็อาจจะเป็นการลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวให้รู้ถึงคนอื่นมากขึ้นทําให้จิตใจเนี่ยนะมั่นคงไม่หวั่นไหวนะต่อโลกธรรมโลกธรรมก็คือมีขึ้น มีขึ้นมีลงมีลาบเสือมลาบมีก็เสือมยศมีคำสารเสริญมก็ต้องเจอคำดินพาว่าร้ายนะมีความสุขสบายกายก็ต้องมีความทุกข์ลำบากกายสุขใจก็มีความทุกข์ใจไปด้วยฉะนั้นถ้าเราทางานก็ส่วนรวมแล้วเจอแรงกระทบกระแทกถ้าเราเรีับวันใจเป็นนะเราก็ทําจิตใจเรามั่นคง แต่ตราก็พบนะคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเน่จิตใจมั่นคงได้วันลอยต่อความวิพากษ์วิจารณ์แล้วกระศักด์ในขณะที่คนที่เอาแต่ตั้งหน้ า, าตาปฏิบัติทำความหมายในความหมายที่ว่านะภาวนาตรสติความสมาธิแต่ว่าแต่กล้องอะไรไม่ได้นะคนพูดคนดินทาหรือว่าคนสนิทติดเตียนก็โกรธ จิตใจวันไหวง่ายอันนี้แสดงว่าอ่คงจะภาวนาไม่ถูกนเะพราะถ้าภาวนาเป็นเนี่ยจิตใจมันต้องยิ่งต้องเข้มแ ข, แข็งมันง่นคงเพราะว่าบา ร, รมีศิษฐนะ์เนียซึ่งเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเครื่องชี้วัดของการพัฒนาด้านจิตแล้วก็เป็นทิศทางของการภาวนาเนี่ย มันจะมีสองสองตัวนะสองประการก็คือตะบะและขันติแสองตัวนี้นะธรรมาสงประการมันทำจิตใจเนี่ยมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วว่าจะเพราะสิ่งรอดเราเย้อยยวนรู้สึกที่มากระทบกระทั่งเน้นภาวนาไปแล้วเนี่ยบารมีสองข้อนี้ไม่พัฒนาเนี่ยนะอันนี้ก็แปลว่าปฏิบัติผิดแล้วนะ นะถ้าปฏิบัติถูเนี่ยติดใจต้องสงบเยน็นไม่ใช่สงบเย็นเพราะว่าทุกอย่างมันราบตื่นมันโอเคแต่ไม่ทุกอย่างมันจะไม่เลิศเลอเพอร์เฟกตนะแต่ติดใจก็ยังมั่นคงและสงบเยน็นซึ่งสำหรับคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาฝึกจิตอนพระนราติดเนี่ยก็จากการที่เขาออกไปช่วยเหลือส่วนรวม นะไปทำกิจแล้วการทำกิจนั้นก็มาช่วยส่งเสริมให้ทำกิจได้ดีขึ้นบางคนที่รู้สึกท้อแท้นะไม่รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามีความหมายพอก็จได้ไปทำกิจส่วนรวมนี่เขาสุดดีขึ้นนะเิด ใ, ใจที่เป็นลบมันก็อย่างเั้นกลับมาเป็นบวกเคยมี จิตอาสาคุ่มหนึ่งนะมาปลกป่าประมาณทั้งสิบสิสองปีที่แล้วนะมาปลกป่าช้ากุศิลเสองวันวันแรกที่เขามาเนี่ยนะเขาก็มีพื่องคนหนึ่งเนี่ยวันแรกที่เธอมาเธอก็มามายืนอยู่ตรงตรงด้านซ้ายขนะองขาตะมาเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันยังเป็น มันยังเป็นทุ่งหญ้านะยังไม่มีปุตติมองไปตรงนั้นเนี่ยมองไปไกลๆเลยนนะมันจะเห็นแต่ไร่หมันนะตอนนี้ยังไม่มีสวนยางเนาะแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึงอยู่กลางทุ่งเธอเห็นแล้วเธอก็เศร้าสียรู้สึกว่าให้ปัญหาสิ่งวิกฤติในร้อนมันเยอะมากมันหนักหนาสาหัสจนเตือว่าจะช่วยอะไรกัน เธอเปรียบเทียบไปว่าเหมือนกับต้นยาก็าคือว่ามันไม่ดีเลียวไม่มีแรงไม่มีกําลังไม่สามารถจะช่วยให้โลกมันดีขึ้นได้ไม่สามารถจะหยุดยั้งการทานใหการทำลายร้างธรรมชาติได้แต่นายหญิงที่เธอออกไปปลูกป่าอยู่สองวันเธอร้อทุกเละมากเพราฝนตกตอนช่วงเดือนสิงหาคพอสุดท้ายเนี่ยเราก็เราก็ เราก็ตั้งวงพูดคุยกันตระบวดเวียนที่ได้จากการไปปลูกป่าเธอบอกว่าเนี่ยไอตอนที่มาวันแรกเนี่ยรู้สึกเลยเนีเหมือนเหมือนต้นย้างที่ไร้เรี่ยวแรงไร้กํำลังไอ ต, ตอนนี้เธอรู้สึกว่าเธอเนี่ ย, ยเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่คือพอได้ทำได้ไปปลูกป่ามันเกิด กำลังใจมันเกิดความที่เราทำอะไรให้กับโลกนี้ได้ไม่ใช่เป็นคนซีรัย ไ, ไม่ตอบมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนั่จากต้นยากกแต่เป็นต้นไม้น่แล้วเวลาเนี่ยพอได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สร้างสรรค์เนี้ยมันเกิดความจิตมีเรื่องมีแรงมีพลังที่มันภาษาพลังก็เริ่มเข้มข้นมันไม่ห่อเหีย่ยวรู้สึกว่าเรานี่เป็นคนซีร้ย ไ, ไม่ตอบทำนี่ไม่ได้ อันนี้ก็เรียกว่าทํากิจแล้วมันก็ไปส่งเสริมการทําจิตอันหลายคนก็จะรู้สึกที่มีคุณค่าขึ้นมาจากการที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแม้แต่คนแก่นะที่ที่รอวันตายในตามพระพะคนชราเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาเขาเคยมีการทดลองนะคนแก่ที่งอมบ้านในพระพะคนชรา เขาแบ่งเป็นสองกลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยทุกคนเนี่ยนะจะได้ต้นไม้หนึ่งต้นแต่กลุ่มแรกเนี่ยจะมีคนช่วยรดน้าต้นไม้ให้ก่อนด้านนั้นก็จะมีการเลคเชอร์วันเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเขาเขา ด, ดูแลและผิดชอบเราอย่างไรเขาช่วยเรอเราอย่างไรเขาช่วยรดน้าต้นไม้ให้เรากลุ่มที่สองเนี่ยเขาขอให้รดน้าต้นไม้เองให้คนแก่มารดน้าต้นไม้เอง แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยก่อนก่อนจะทําโครงการเขาก็มีการบรรยายว่าการลดน้ตาต้นไม้นี่มันช่วยอย่างไรบ้างทำให้จิตใจชุ่มชื่ น, นแล้วเขาก็ทดลองประมาณปีครึ่งปรกว่าคนคนแก่กลุ่มหลังเนี่ยนะสุขภาพเนี่ยดีกว่ากลุ่มแรกการใช้ยา น, น้อยลงน้อยกว่านั่นเนี่ยยืดยืนมาเรื่อนะเพราะคนแก่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็งองมาเพื่ว่าเก้าสิบ ให้กลุ่มซอเนี่ยลดน้ำต้นไม้เองเนี่ยสุขภาพจิตดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะถ้าที่มีอายุยืนยาวก็เพราะอาจจะเป็นเพราะเราวยเราไม่ได้รอวันตายอย่างน้อยเนี่ยรันวันนึงเนี่ยเราก็ยังมีสิ่งที่ควรทำก็คือการลดน้าต้นไม้ปลูกผู้ทางต้นไม้มันทำให้สุดชิดเนี่ยจิตใจมันเบิกบานลดน้ำให้เขียว ใบเขียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใบที่เขียวนะแต่ร่างมันก็คอยเขียวไปเขียวไปด้วยคือสดใสก็ดเดินนะเขามีความสุขที่ได้รดน้าต้นไม้แล้วเขาก็รู้ว่าไม้ชิ้นเนี่ยมันก็ยังมีอย่าเป็นที่ควรฆ่าแต่การทำไม่ใช่ว่าอยู่ไปวันวันรอบางๆอันนี้ก็เรียกว่าการทําประโยชน์นะกับต้นไม้นะนะมันก็มีผลเยียวยารักษาปุ่มปุ่มติดใจเราได้ แล้วยิ่งถ้าเราทำเนี่ยเราเราทำจิตที่ยิ่งกว่านั้นนะอย่างที่บอกนะคือว่านะปลูกป่าเราก็ไม่ไม่หวั่นไหวต่อแดดที่แรงอากาศที่ร้อนนะเราเกิดขันติทำและเราเจริญสติไปในตัวด้วย แล้วฝึกปล่อยวางไปพร้อมๆกันนะว่าเราทําเป็นที่นแต่ว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่งไม่ยึดมั่นาม่ต้องสําเร็จให้ได้อย่างที่ต้องการนะมันจะวุ่นายจะตายข้อแม่ข้อถอยนะเพราไม่ได้ยึดมั่นถือมาตั้งแต่แรกแต่ว่าทําเป็นที่นะียกว่าทําจิตและทําจิตไปพร้อมๆกันถ้าเราทําจิตแบบนี้เนี่ยนะ เราไม่เครียดนะทาเป็นที่แต่ไม่ซีเรียสนี่ยเป็นไปได้นะแล้วก็ควรจะเป็นด้วยทําเป็นที่นี่เป็นเรื่องการทํากิตนะส่วนทำจิตก็คือนะไม่เครียดนะปล่อยวางมันทําได้เนี่ยเราก็ฝึกปล่อยวางเนี่ยจา ก, การทํากิตก็ได้นะแล้วเรนก็จะไปส่งเสริมให้จิตของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นเฉั้นที่เรา รู้จักนะมีใจรักธรรมชาตินะอยยางฟื้นฟูรักษาธรรมชาติด้วยการวางจิตวางใจในถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปได้อา้ารยบุชาที่เคพูดท่านพู้อยู่เสมอว่าการทำคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมหลายข้อเนะี่ยปฏิบัติธรรมทั้งฝึกขันตินะทั้งฝึกตาบาะ ท, ทั้งฝึกวิริยะ นะฝึกเรื่องการให้ทานฝึกเรื่องการรักษาสีนฝึกเรื่องเมตตาฝนะึกเรื่องสัจากฝึกเรื่องวิริยะพวกบริมิสิปการนี้นะเราสามารถจะพัฒนาเพิ่มปูนได้จากการที่ทำกิจส่วนรวมแต่ที่ไม่ไม่ลื อ, อีกข้อนั่นคืออุเบกขานะคือว่าทำไปแล้วทาเพื่อไม่สำเร็จไม่เป็นร นทำใหม่นะอุเบกขานีก็เป็นาการปล่อยวางกันนะเวลาพ่อแม่เนี่ลี้ยงลูกเนี่ยก็ต้องมีอุเบกขาด้วยไม่ใช่มีแต่แม่ตาตูนนายเดียวก็คือว่าให้ลูกรับผิดชอบตัวเองลูกอาจะทําผิดต้องทําทถูกต้องนะก็ต้องวางอย่างพ่อแม่บางคนก็คอยให้ลูกมาที่นี่ ก็อาจจะหว่วงว่าลูกอาจจะลำบากนะไม่มีโคกกินจะทำยังไง <c oughs> <c oughs> โทรศัพท์ก็ไม่โทรมาหาตัวครูจิตเอาไว้แม่เนี่ยพ่อเนี่ยมีไม่ตามกรุณาแต่ว่าให้มาเพราะว่ามีอุบัติเขาว่าเออลูกอาจจะลำบากอาจจะโหวหกก็ผิดบ้างอาจจะมีแผลบ้าง มันก็เป็นการเรียนลูกของโลกูนะพกพ่อเราต้องมีเหตุขานะมันยังจะทาให้รูกเนี่ยเขาผิดชอบตัวเองได้แล้วก็เป็นตัวของตัวเองคือเหขานี่ก็เป็นการปล่อยวางระดับนึ่งงั้นถ้าเราทําปิดส่วนโลภให้เป็นนะให้ถูกนะมันพัฒนาบารมีทิประการได้อย่างที่ในหลวงเนี่ยนะนะ ใครๆก็พูดนะว่าในท่านได้บําเพ็ญบา ร, รมีสุปการอย่างยิ่งด้วยท่านก็ไม่ได้บําเพ็ญด้วยการไปนั่งสมาธิภาวนาเพียงเดียวแต่ท่านบาเพ็ญด้วยการไปรับใช้อนาประชาราอย่างมากมายาก็ได้บําเพ็ญบา ร, รมีสุปการไปเดื่อยไอ้บา ร, รมีสุปการนี่นมันก็กลับมาพัฒนาจิตใจ แล้วก็ปูทางให้ ก, การบริธรรมเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าการพระพุทธเจธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราร่บสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการพัฒนาจิตนอกจากการบาเพ็ญกรรมฐานหรือสมาธิภาวนาแล้วในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้ก็สำคัญ นะส่วนก็ที่ทําประโยชน์ก็ส่วนรวมนะก็อย่าอย่าลืมนะการทําจิตด้วยนะให้ถือว่าการให้มองว่าการทําประโยชน์ก็ส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นครูนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็น ngo ไม่ว่าจะเป็นนักอนุรักษ์มันสามารถจะเป็นโอกาสของการพัฒนาจิตเมื่อทํางานรักษา ป, ป่าก็อย่าลืมรักษาธรรม นะให้เกิดขึ้นในใจคือเพิ่มพูนทำให้เกิดขึ้นในใจแลส่วนคนที่พยายามรักษาทำบมเพ็ญภาวนาอยู่เสมอก็อย่าลืมนะทำเป็นทุกส่วนรวมในการรักษา ป, ปามันจะไปยืดตึงแล้วก็น่าจะไปยืดตังด้วยแล้วก็พอสมควรแต่เวลาแล้วกราบพระครับ